ลักษณะบางอย่างทางจิตใจของผู้บรรลุนิพพานอาจขัดต่อความรู้สึกของปุตุชนเพราะเมื่อดูเผินๆจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปุตุชนถือกันว่าไม่ดีไม่เป็นสุขไม่น่าชื่นชมลักษณะอย่างหนึ่งในประเภทนี้ที่เด่นท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือนิราชหรือนิราสาแปลอย่างสามัญว่าหมดหวังสิ้นหวัง หรือไร้ความหวังแต่ความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้บรรลุนิพพานมีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากที่ปุทุชนนึกถึงหรือพูดถึงกันตามปกติอธิบายว่าตามธรรมดามนุษย์ปุทุชนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังความหวังนี้ตั้งอยู่บนความอยากเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่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 หรือหมดหวังต่อไปได้เลยพึงเทียบกับอัดัทธะที่แปลว่าไม่มีศรัทธาซึ่งเป็นฝ่ายภาวะทางปัญญา